อันเนรนี่จะมามากขึยนเรื่อยๆนั่นแหวันเราต่อไปนี่จะยั่วเยี่ยัวเยีย่ละผมก็ยิ่งแก่แล้วก็อะไรภาระก็ยิ่งหนักยัวเยี่ยยัวเยี่ยนห่ือพาเนรสัมการกับหมู่เพื่อนนี่ที่ผมหนักมากเรื่องความฉลาดไม่ไม่ค่อยมีแล้วไม่มีนี่แหละโอ้ผมเพื่อนยังอยู่สบายสบายอยู่อันนี้มองไปนี่นแหม ให้ทำยังไงว่าแก้กิเลสนี่นะที่เราเอามาพูดอย่างนี้นะกิเลสเป็นแบบเป็นชนิดใดกับความเป็นอยู่ของเรานี้เป็นชนิดใดนี่มันเข้ากันไม่ได้และเข้ากันไม่ได้เลยนี่ที่ว่างไรยับยาบต้องเลยบอกเลยกล่าวทุกสิ่งท้กอย่างมันไม่มีความแ ย, ยบหรือแ ย, ยบคลายออกมาจากภายในใจพราะเป็นแง่ของความฉลาดนี่ยความคิดความอ่านอะไรอะไร มันก็บอกอยู่อย่างนี้เวลาจะไปใช้กับกิเลสก็จะเอาอะไรก็จะเอาแบบนี้ไปใช้แต่ในครัวก็ ด, ดูทุกวันนั่นนะไปดูวันนี้ก็ไปดูยิ่งนั่นเป็นชาวบ้านมาอยู่ในนั่นเราคาญจะตายนะผมทนเอาเฉยๆที่ให้ทําครัวตั้งเกลียดนั่นก็ดีไปต้องเลยบอกเลยกล่าวเพราะนี่สายชาวบ้า น, นก็ซื่อดุยซื่ลาย่แต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามความสะอาด ไม่ค่อยมีมันเข้ากับกฎเกณฑ์ของวัดของศาสนาไม่ได้เลยตครตรงเลยว่าว่าถ้าทุกวันวานนี่ก็ไปว่าวันนี้ก็เข้าไปดุดอีูแหละก็ยางนั้นเออมีแต่เรื่องของกิเลสเทรานั้นนะกี่จะดุนี่คือว่าไปชะไปล้างอั่รเองมีแต่ความสกปรกของกิเลสมันแสดงตัวออกมา ในวัดของเราก็มีแต่ความต่อ ส, สูาส่าแล้ได้หน้าเลยหลัง น, นี่คบพิณเลศพิณเลศมันโงเ่เหรอมันทำเราให้งโง่มันการะจะฉลาดยิ่งกว่าพิณเลศ น, นขึ้นเวทีฟอดกันเองเต็มที่แล้วนนมีวี่มีแววทั้งด้านอาัจด้านทาแล้วก็เรื่องของกิเลสมันมียังไงไงมุกค่อยๆตามรูรามเห็นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ไม่มีที่แววอะไรภายในจิตใจของเราแล้วอ้อมองก็เหมือนกัรหลับตามองอะมองอะไรก็หลับตามองมันจะเห็นอะไรอันนี้มันก็หลับตาใจมองมันจะไปเห็นอะไรนี่ถึงใน ว, ว่าหนักใจเกียวเรื่องการชำระพิเลกความเป็นอยู่ของเราพวกเราทุกวันนี้นเหมือนก็จะเม็ดเล่มหนึ่ง ไปฟันช้างทั้งตัวให้มันตา ย, ยานั่นวินาทีช้างทั้งตัวมีดเล่มเดียวเล่มหนึ่งไปฆ่าช้างทั้งตัวมัน่นงไงนอกจากลูกช้างที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรกันนั้นมันปอย่างนั้ น, น, น, น, นสภาพความเป็นอยู่จิตใจของเรากับความฉลาดยีบกายของพิเดษ ที่มันอยู่เนื้อหัวใจเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นเป็นคนละเทาิตร์มันเลยหนักใจเมื่อมันไม่ได้ผ่านมาก่อนมันก็ไม่มีอะไรจะมาพูดโง่ก็เคยโงก่กับเจกับกิเรนี่นี่โง่ซะแสนโง่กับพิเลนเคยมาแล้วโง่กับมันมากเท่าไรเรื่องกองทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี่แหม่ว่างั้นเลยนะ ทุกข์มากมองไม่เห็นดีเวีของกิเลสเลยแต่ความทุกข์เต็มหัวใจก็เพราะผลของกิเลสมันสร้างขึ้นมานพยายามหลายด้านหลายทางปริแลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมหาอุบายแก้กันเมื่อความไม่นอนใจมีอยู่ช่อง ที่พอที่จะออกได้เป็นไปได้มันก็เริ่มมีมันก็มีเพราะความเสาะความสแสวงหาขเรามีอยู่ตลอดมันจะโง่แสนโง่มันก็พลิกหาดูแต่งความสลาดจนเจอไม่มากกว่าน้อยเริ่มไปเจอไต่เจอความสงบเย็นใจขึ้นมาในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความ พุ่งเพ้อเหือห่อเหิมหรือความพุ่งสารานลำคาญของใจซึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้กอ่อขึ้นมาผลักลันออกมาทั้งนั้นทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีความสงบใจเลยมันก็ไม่เห็นโทษใงความโง่ว่ามันมาจากอะไรเมื่อความสงบใจมีขึ้นเราก็เห็นโทษใงความวุ่นวายว่ามาจากอะไรมาจากความผักลันของกิเลส เพราะสติไม่มีตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดนีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดทั้งหมดเมื่อมีความสงบแล้วก็ก็พอได้หายใจบ้างเมือ่อพอหายใจแล้วทําไมจะไม่มีแก่ใจมันก็ยิ่งแน่นยิ่งหนักลงไปเพื่อความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนมันเห็นโท่ษกันเป็นรักเป็นตอนไปอย่างนี้ การปฏิบัติธรรมไม่เห็นคุณเห็นโทษระหว่างกิเลสกับธรรมบ้างเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะกําหนดให้จำไให้ดีคํานี้มันต้องมีเห็นโทษเห็นคุณกันเป็นข้อเทียบเทียงฟัดเหยียบกันไปกันมามันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจอเลวลามันสงบมันก็เห็นโทษอย่างความวุ่นวาย ให้หาความถูกความสบายไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายความวุ่นวายนี้เป็นมาจากความผักดันของกิเลสที่ผักดันให้ปรุงให้แต่งให้เป็นสัญญาอารมณ์กับเรื่องของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของธรรมไม่สร้างกิ เ, เลส ก, ก็ต้องสร้างแต่เรื่องของกิเลสขึ้นมา Ô. พอสงบได้บ้างก็เห็นโทษเป็นขั้นเป็นตอนไปสงบมากเท่าไรก็ยังเห็นโทษอยความวุ่นวายมาก ถึงขนาดที่ว่าจิตได้ลงสนิทเต็มที่ความสงบเต็มที่เพราะความจานานของสมาธิของความสงบเพียงจิตปรุงยับเท่านั้นมันก็ลาคาญแล้วนขนาดนั้นนะเพียงปรุงออกยิบยับเท่านั้นก็ถือเป็นความกระเทอือนจิตเป็นความลาคาญเป็นการก่อควาจิตแล้วเพราะนั้นึงไม่ยอมให้ตรุงนีแต่ความรุนแนวเป็นความชัง สงบสบายอยู่นั่นความคิดความปรุงนี่คือตัวก่อกวนแน่มันรู้ไปขึ้นขนาดนั่นลนะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ใดอารมณ์ใดเลยเพียงปรุงยับยับขึ้นมาเท่านั้นมันก็ควรแล้วควรแล้วควรจิตที่สงบัแล้วมันเห็นมันไปอย่างนั้นที่การปฏิบัติธรรมเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอันละเอียดแม้แต่ความคิดปรุงยับียัๆมันก็ควรใจ มันหลบปรับกันทีเลยเข้าสู่ที่นั่นเลยเพราะเข้าสู่ความสงบมันเข้าง่ายที่นี่นี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาก้าวทา ง, งด้านปัญญามันเป็นเรื่องของความคิดสิปัญญาก็ไม่ใช้สังขารจะเอาอะไรมาใช้แต่สังขารเป็นฝ่ายมรรคเท่านั้นเองเห็นพิจารณาเรื่องกฎอนิจจังทุกขงังตาอาศุภะอาศุพังไม่เอาสังขารมาใช้จะเอาอะไรมาใช้เขาต้องเอาสังขารมาใช้นี่นก็ถือว่าเป็นความลําบาก แต่มันลบากฝ่ายเป็นธรรมก็ต้องฝืนกันพิจารณาทีแรกมันเห็นโทษถึงกระทั่งถึงทางด้านปัญญาไม่อยากคิดจักปรุงเพราะกวนใจพอก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาได้ได้เห็นคุณค่าแห่งการพิจารณาแล้วมันก็มีแต่ใจเกิดความสนใจขึ้นมาเรื่องความติดในความสงบมันก็น้อยลงน้อยลงต่อไปก็ ก็เห็นว่าความสงบนี้ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆน่ะปัญญาต่างหากเป็นที่ธรรมชาติที่บุกเบิกออกให้ดูให้เห็นความสัต์ความจริงทั้งหลายที่มีอยู่รอบด้านสมาธิไม่รู้มีแต่ปัญญาเท่านั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เนี่ยอยู่ที่นี่ก็เก้าแล้วนะอันนั้นก็มาเห็นโทษในความสงบเมื่อกี้ว่านอนอยู่เฉยๆไม่ได้ประโยชน์เพียงความสงบไปเป็นวันๆทอนนั้นหาความเปิดโลกยิ่งกว่านั้นไม่มี พอสมาธินี้เมื่อเต็มภูมิแล้วย่อมไม่เหมือนกับน้ำเต็มแก้วจะเอาน้าที่ไหนมาเพิ่มอีกมันก็เต็มแก้วมันก็ไหลออกล้นออกหมดไม่เลยจับปากแก้วไปได้เลยมีสมาธิจากขนาดไหนก็เต็มสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่หรือว่าะเอียดขนาดไหนก็ละเอียดตามภูมิของสมาธิเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดในภูมิของปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทางก้าวทางด้านปัญญาซึ่งมีความละเอียดกว่ากัน กว่ากันแล้วมันถึงแตกต่างากันมากเทียบเคียงกันได้เหตุได้ผลจึงควรจะมาตําหนิสมาธิจึงตําหนิได้นอนอยู่เฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์ปัญญามีความแยกคายสอดส่องมองทะลุไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาเรื่องหน้าของปัญญา น, นมันเห็นโทษกันไปเป็นระยะระยะระยะดางนั้นผู้ปฏิบัติธรรม ที่จะเรียรู้ทำเห็นทำนก็ต้องเรียรู้กิเด็สเห็นกิเด็สไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนย่างปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ละเอียดมากนะถ้ามันไม่เป็นพูดอะไรมันก็ฟังยื้อเฉยนะ่ะผู้ที่ไม่เป็นถ้เป็นแล้วมันรับกันทันทีถ้าต่างคนต่างเป็นพูดนี่พอแยบแยบเท่านั้นเข้าใจทันทีทันทีเป็นเครื่องดูดดื่มเสริมซึ่งกันและกันคือเสริมกําลังกันให้มีแก่ใจมากขึ้นมากขึ้นนะ่น เป็นอย่างนั้นปัญญาก็มีมันก็มีไม่มีขั้นหนึ่งขั้นเดียวเอาปัญญาขั้นใดที่จะใช้กับสภาวธรรมประเภทใดยกตัวอย่างเช่นการมราคะเรื่องกิเลสปัญหาราคะอันนี้ปัญญาประเภท น, นี้ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าผลโจนทยานมากที่จะ<ม>หากพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทที่มันผาาผลโจนทะยานเช่นเดียวกันนั่นเจ้า ป, ปัญญาที่เรีย บ, ย บ, ยบยง่ียนนี้ สบายสบายมาใช้ไม่ได้มันบอกมันอยู่ในตัวขนาดนี้ไม่พอหนักเข้าไปอีกนั่นระดีปัญญาชนิดนี้ไม่พอมันเอาเพิ่มของมันไปเองละการพินิพจนาผาดผลมากนี่ปัญญาขั้นนี้ผาดผลมากทีเดียวความรวดเร็วก็รวดเร็วตามความผาดผลของมัน น, นแหละละเอียดหรือหยาบมันก็เอาราคาตัญหา น, น, นั่นแหละ เหมือนก็เอาเป็นหินรับปัญญาให้มันพอมาะพอดีกันไปนะี่ยไม่มีใครบอกมันก็รู้เองเพราะมันหมดปัญหาในเรื่องรูปกายที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี้แล้วเรื่องปัญญานั้นก็ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปหากเป็นในหลักธรรมชาติของตนสีที่ปัญญาที่ผ่าผลเต็มที่นี้ที่ซึ่งเคยชา้ชาอยู่ในขั้นนี้ ม, มันก็ค่อยหมดปัญหาของมันไปเหมือนจะเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันยกเท้าขึ้นก้าวไปข้างหน้ายกเท้าผ่านไปผ่านไปนี่ปัญญาก็เหมือนกันผ่านไปเรื่อยๆจนตั้งถึงปัญญาขั้นขั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นก็คือกิเลสมันอยู่ในขั้นนั้นขั้นที่พอเหมาะพอดีกันท่านจึงเรียกว่ามัตติ ม, มานี่แหละมัตติมาในวงปฏิบัติ เรงมัชฌิมาที่เราศึกษาเราเรียนมามันคาดมันเดาเอาเฉยเหมือนว่ามัชฌิมาปฏิบัติให้เดินทางสายกลางสายกลางมันไม่เข้าใจสายกลางใครก็ใครเถอะเรียนมาเหมือนกันเหมือนปฏิบัติไม่ถูกมีแต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่เข้าสู่ใจภาปฏิบัติไม่ได้เข้าสู่ตัวเองเลยแล้วมันไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์พอให้จะพอจะให้สะดุดใจได้เลยแหละจึงต้องภาคปฏิบัติ ถึงปัญญาขั้นไหนขั้นไหนนี่มันพอเหมาะพอดีกั็กิเลสขั้นนั้นๆอ น, น, นามธรรมก็พวกเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณนี่รู ป, ปธรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ผาดโผนเต็มที่นั้นเลยจากนั้นไปก็ค่อยละเอียดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกลายเป็นเหมือนกับว่าน้ำซับน้ำสูมไปนี่ ปัญญาไม่ใช่ขั้นเดียวนะปัญญาหากเป็นพอเหมาะพอดีอยู่กับผู้ปฏิบัติแต่ว่าจะตกแต่งงนั้นตกแต่งนี้มันก็ไม่เชิงจะตกแต่งถ้นานักพอเหมาะพอดีกันนั่เหมือนกับนายช่างเขาปูกบ้านสร้างเรือนนั่นแนะ่ะควรจะขึงขังตึงตังฟันนั้นฟันนี้โป่งป้างโป่งป้างก็มีควรที่จะทำให้ละเอียดกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของนายช่างจะรู้กับหน้าที่การงานของตัวเองนี่อันนี้สติปัญญาของเราก็เหมือนกัน วันถึงขั้นละเอียดมันก็ค่อยเป็นไปเป็นไปละเอียดเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงละเอียดสุดเป็นน้ำซับน้ำซึมหากเป็นอยู่อย่างนั้นหากเป็นอยู่งั้นเราพูดถึงว่าเรื่องสังขารก่อนเราไม่อยากจะพูดเสแล้ว่าเป็นสังขารถึงขั้นปัญญาขั้นนั้นแล้วนะนันมันซึมนี่สังขารยังมียิบ ย, ย, ยับยับปัญญายังมียิบ ย, ยับยบในปัญญาขั้นหยาบเช่นอย่างขั้น ราคะตัณหาหยาบสังขารที่เป็นฝ่ายมากนี้ต้องรุนแรงปัญญารุนแรงจากนั้นไปก็เบาลงพอละเอียดลงไปจริงๆแล้วจะพูดว่าสังขารปัญญาประเภทนั้นประเภทละเอียดมันเป็นสังออกมาจากสังขารนึกว่าสังขารมันพูดไม่ถูกนะแต่มันไม่สงสัยในความเป็นของตัวเองเวลาจะนํามาพูดมันมันพูดได้ยากเพราะละเอียดซึมไปะ ซึมซาบเหมือนกับว่ากิเลสนั้นเป็นเชื้อเพลิงไอ้ไฟนี่ก็ค่อยค่อยซึมเข้าไปไหม้เข้าไปละวอย่ขนาดไหนค่อยซึมค่อยไหม้เข้าไปลุกไปลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นถึงขั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่นหน้าในการปฏิบัติมันต้องรู้ชัดรู้ชัดไปโดยลําดับกำลังเดียวมื่อท่งถึงมาละที่มันจะหมดจะกิ้นของมันแล้วไก็ไม่มีใครบอกก็รู้ของมันเอง การปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความพินิจพิจารณาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาทั้งภายนอกภายในมันหลักวิ่งกันเองถ้าลงนิสัยของความคิดความปรุงมีอยู่ในหัวใจนั้นแล้วออกทั้งภายนอกมันก็คิดใช้ความคิดความพินิจพิจารณาเข้าสู่ภายในยิ่งเป็นของละเอียดจะไม่คิดไม่พินิจพิจารณาได้อย่างไรต้องพินิจพิจารณาโดยไม่ต้องสงสัย หักเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่เป็นอยู่ที่ไหนซึมซาบอยู่นั้นขันที่มันไม่เห็นโทษอะไรเลยมีแต่ความเพลิดความเพลินความฟุ้ ง, ง, งเฟ้อเหเหินเต็มหัวใจคือขั้นเราเราท่านท่านธรรมดาจึ่งไม่เลยมีภูมิมีอะไรของอัดของทำเข้าเครือบแฝงเลยนี่เนี่ยวิกฤตตีตลาดเต็มเหนียวเลยมีแต่เพลินกับมันไม่ได้เคยคิดเลยว่าได้เห็นโทษของมันอย่างนั้นอย่างนี้ นี่ก็คาดไปเฉยไดยินท่านมากโทษของมันเป็นอย่างงั้นนี่ก็เราเราก็คาดไปเฉยมันไม่ประจักษ์ในหัวใจแต่ภาคปฏิบัติโดยปรากฏเขาแล้วมันประจักษ์จริงๆมาโทษก็เห็นจริงๆท่านจึงว่าความจริงกับความจํามันต่างกันความจําคือได้ยินจากครูบาอาจารย์นั่นก็จํำมาไว้แต่เมื่อเรายังไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงมันก็ยังเป็นความจําอยู่นั้นแหละเพราะจริงมันจึงไม่ถึงใจ เมื่อเป็นความจริงแล้วก็ต้องถึงใจถึงใจเป็นลําดับลำดาเราะว่าเห็นโทษจะเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจดังที่ว่าโทษกับคุณเข้าถึงใจอย่างเดียวกันสะเทือนถึงใจสะเทือนถึงใจหรือว่าถึงใจเข้าถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจนั่นเคื่อเห็นโทษของที่เรก็เห็นดังถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็น อย่างถึงใจถึงใจทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าในหัวใจดวงนี้แล้วทําไมจะไม่มีกําลังทั้งดีดถึงผึงรอไม่ได้เลยนี่ถึงขั้นรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะไม่แค่แต่กิเลส จ, จะลากเราหัวกุดหัวขาดไปแบบรอไม่ได้กิเลสมันฟัดเอาไปเต็มเ็มเหนี่ยวของมันเรียกว่ามันรอไม่ได้มันเอาอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นถ่าเดียวมันมันเป็นไปไม่ได้ เมื่อมีทำเป็นเครื่องฟัดเบียงเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันแล้วมันต้องเอากันเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งถึงทางทำมีกําลังมากแล้วทีนี้เอาเต็มเหนียวเลยอืรอไม่ได้นั่นนี่แ่ละที่ว่าเห็นโทษมากเห็นคุณที่จะหลุดพ้นจากโทษนี้ก็เห็นมากถึงหัวใจเข้าใจแล้วนั่นละหมุนทีเดียวรอไม่ได้ว่างเงิน่ะถึงขั้นนี้แล้วขั้นรอไม่ได้เป็นกับตายก็รอไม่ได้วางเงน นอกจากสิ้นลมเสียตอนนั้นเป็นกับตายก็ปล่อยเป็นหลักธรรมชาติไปเสียขณะที่มีชีดอยู่นี้เรียกว่ารอไม่ได้เลยร้อนไหมหจิตใจเมื่อถึงขั้น ร, ร, ร้อนจากกิเลสแล้วก็ต้องร้อนอย่างนั้นแม้นั้นมีกำลังฆ่ากิเลสได้อย่างไงลงจิตใจมันเห็โทษถึงขนาดนั้นแล้วกำลังอะไรจะไปเท่ากำลังของใจที่จะดีดดิ้นให้หลุดให้พ้นไปได้นั่นเป็นความจริง ใครไม่หว่อมมันก็รู้อยู่ในหวัวใจจ้าของอย่างพ่อแม่หูจานทันว่าตอบพระเถรละมหาเถรละนะ <c oughs> เธออยู่คนเดียวเวลาปัญหาข้อของใจในอนธะรทมเกิดขึ้นเธอไปฝึกเตื้องกับใครไปศึกษาไปลบ ก, กับใครแล้วกกราบเรียนว่าท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางมันกลางคืนนั่น คือตบต่อยกันอยู่นั่นต่อสู้กันอยู่นั่นแก้ไขกันอยู่ในนั่นในหลักธรรมชาติของจิตเนี่ยผู้ไม่เป็นมันก็ไม่รู้พอผู้เป็นแยกฐานั้นมันเข้าใจทันทีเพราะมันเป็นแบบเดียวกันนี่แหะมีแต่ว่าขั้นรอไม่ได้ต้องเป็นขั้นตบต่อยกันทั้งวันทั้งคืนเวน้นแต่หลับเท่านั้นขั้นรอไม่ได้ขั้นกําลังใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในกําลังใจหมด กำลังใจมีมากเท่าไรความภาคเพลียนยิ่งหมุนติว้วที่วเลยกำลังใจที่เป็นความมุ่งมั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทําความภาคเพลียนของเราให้มีความเข้มแข็งให้เผ็ดร้อนได้เหมือนกันแต่กําลังใจที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นโทษเห็นคุณระหว่างทำกับเกล น, นี้นี่เป็นสําคัญมากอันนี้อันนี้หมุนติ้วเลยรอไม่ได้วางั้นเลยจะเป็นจะตายก็ คำว่ารอนี่หลอไม่ได้เลยจนว่าทั่งน่เลรศขาดตะ บ, บันออกจากหัวใจชิ้นเมื่อไยแล้วแล้วค่อยพูดกันว่ากั้นเนี่ยทางเดินของผู้จะสิ้นจากทุกท่านเดินอย่างนั้นเนาะเวลานี้ทางเดินอย่างนี้วิธีการเดินอย่างนี้อย่างที่ว่ามานี่ มันจะไม่มีแล้วนะในวงศาสนาของเรามีในวงพระวงเลนของเราแต่พาะอย่างยิ่งยกมาในวงปฏิบัติโลเลโลกเล็กไปเสีย น, นี่ยมันสาคัญที่ชอบก่ อ, อกสร้างเหงมือนทีอยู่ให้เป็นสุขคือเหมือนกับว่าแก้ลาคาดอยู่เฉยๆไม่ได้กิเลสมันยุมันแย่มันก่อมันกวนให้คันตรงนั้นให้คันตรงนี้ให้เก่านั้นให้เกานี้อย่ ออืแล้วก็ไปทํานั่นไปสร้างนี้ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างอืเป็นการแก้ลาําคานมันไปข้างนอกแล้วยิ่งเป็นการเพิ่มลําคานเข้าไปอีกเพิ่มลาคานเข้าไปนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลทําอย่างนี้ได้ยังไงไม่ทําท่านไม่ทําผู้จะทรงมรรคทรงผลนุ่งหมุนติ้วกับกิเลสเท่านั้นไม่ว่าวันว่าคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้น ก็หมุนตี่วกันไปยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ถอยหมุนอยู่ในวงที่จะฆ่ากิเลสนี้หมูงี้หมูงี้ในวงวงที่จะแก้คือถอดถอนกิเลสนี้อันไหนที่ไม่ใช่เป็นการถอดถอนกิเลสแล้วทาให้ช้าหรือมีหนําซ้ํายังเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินเพื่อแก้กิเลสข่ากิเลสนี้ได้แล้วท่านไม่ทํำอยู่ในนี้กรรมฐานเรามันกงลันข้ามมันนะมันชอบ ก่อชอบสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่นี่นโตที่ึดตำหรับตำาตราทั้งก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาประปาดเถื่อนมาพูดทอดเอามาจากตำหลับตำรามาพูดให้เพื่อนสูงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังในฐานะที่ได้เดียนมาบ้างพอประมาณเราก้นคว้าจริงๆท่านสอนอย่างนั้นจริงๆดำเนินอย่างนั้นไม่ได้มีเรื่องพระสงฆ์องค์การ ในข้างนั้นว่าท่านพระเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ที่ยุ่งนั่นยุ่งนี้ไม่มีในตําราฮะเขาบอกได้ชัดแบบนี้มันไม่มีก็บอกว่าไม่มีที่มีก็คือนี่แหละการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการบําเพ็ญสมณธรรมองค์ไหนเก้าออกจากสถานที่ก็ดีหรืออยู่ในสถานที่ก็ดีมีตั้งแต่อยู่เพื่อบําเพ็ญเพื่อบําเพ็ญก้าวออกเพื่อบําเพ็ญเวลเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าทูลถามปัญหามีแต่ปัญหาภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นจากคิดต่ภาวนาทั้งนั้นทั้งนั้นเวลาพระองค์รับสั่งหรือแก้ไขปัญหาเนั้นก็มีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าสลาหลังนั้นทําไม่โตไม่ใหญ่ให้ใหญ่กว่านั้นให้กว้างขวางกว่านั้นออกหลายชั้นกว่านั้นท่านไม่ได้ว่างั้นนี้นะแล้ววุติก็ให้มันหรูหหลาๆลาให้สวยๆงามงาม ่านลากรรมันจีดชันอวดโลกเขาถ้าไม่ได้สอนว่าอย่างนั้นนี่ที่ไหนพออยู่ได้อยู่เท่านั้นแหละกร ะ, กระต๊อบกระแตบท่านไม่รู้หลาอะไรแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นมันอยู่ในจิตภาวนาสถานที่ใดเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาสถานที่นั่นเป็นสถานที่ท่านปักใจมากท่านมันจะอยู่ที่เช่นนั้นภาวนาด้วยความสะดวกสบายท่านเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็ นำทำเข้าไปถวายทำนั้นเป็นธรรมที่เราปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นนำไปถวายพระพุทธเจ้าถ้าเป็นปัญหาข้อของใจซึ่งกําลังดําเนินอยู่ก็เล่าถวายด้วยทูลถามปัญหาท่านท่านก็ทรงแก้ไขให้แล้วพูดธําเร็จเป็นมรรคเป็นผลมาแล้วท่านก็ทรงอนุโมทนานั่นนี่งั้นนะถ้าไม่ได้มาอนุโมทนาเรื่องไม้เรื่องอิดเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาอย่างพวกกรรมฐานผีบ้าเ่านี่นะ อันนี้มันเป็นบ้ากันหมดวงกรรมาฐานในเวลานี้มันไม่ได้ฟังเสียงกันหนาะคำภีมีอยู่ยังไงมันไม่ได้สนใจกับกับคำภีมันสนใจยิ่งกับกิเลสตัณหาความเป็นบ้าหน้าด้านอย่างเดียวนี่แล้วสิ่งการก่อการสร้างนี้ไม่ไปรบกวนญาติโยมจะไปรบกวนใครแล้วว่ามีเงินสกะตางเรต้องไปติดต่อเขาคนนั้นได้ห้าคนนี้ได้เสียบบกับสมาคม ก็ฆ่าสมุขคงเขายากเขาโยมีจะคอยจะกินตับกินปอดเข้าไปนี่กรรมาฐานผีปอบอย่างนี้ไม่ใช่กรรมาฐานของสัปดาห์เมื่อไหร่ถามนะที่พูดเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องประปาดึงเถื่อนมาพูดนี่พระพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายตลอดข้างพระทั้งหลายในยข้างพุทธการถ้านดาเนินอย่างไรก็นํามาสอนหมดนี่ยมีแต่ภาคปฏิบัตินะไม่ได้มีภาคยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างที่มันเป็นอยู่วเวลานี้ อดี๋ยนี้มันไปคนละทวีดเลยนะศา ส, สนาคําสอนของพระพุทธเจ้ามียังไงยังไงเห็นอยู่มันไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเอาตามหน้าของกิเลสตัณหาที่มันลากมันเข็นไปไหนก็ไปตามเรื่องตามราวของมันแขนขาดก็ขาดไปหัวขาดขาดไปไม่เลยสนใจว่าแข้งขาดขาขา ด, ขาดหัวขาดเพราะกิเลสลากไปอะไรเลยแหละนี่สาคัญปไปหามันรู้หลาอะไร มันรู้ลาในหายใจดูซิแล้วเอามาเทียบกันซิกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่สมาธิเท่านั้นมันก็เป็นฟากฟากฟา ก, ากแผ่นดินไปแล้วแหละความห่างไกลกันคนละทวีปไปแล้วกับสิ่งเหล่านี้เย่างสมาธิเท่านั้นแหละไม่ต้องเอามากหรอกนะความสงบเย็นของจิตที่ไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรมันเป็นยังไงกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายดีดดิ้นเป็นบ้าอยูนะ่แล้วมันเป็นยังไงมันก็ดูมันก็รู้นี่เพราะฉะนั้นสมาจริงผู้บำเพ็ญจริง เมื่อไม่มีทําขั้นสูงกว่านั้นจึงติดสมาธิได้เพราะมีความเป็นความสุขความสบายหายกังวลทุกอย่างเรื่องราคะตัณหาเป็นต้นก็ไม่ควรนะไม่ได้ควรมันไม่ได้คิดออกไปนี่นี่คือความสงบแน่วอยู่นั่นอม่มีอะไ้มากวนใจแต่นั้นก็เริ่มปัญญาแล้วสิสมาธิเป็นกว่าเป็นปุกกว่าต้อนกิเลสเข้ามาในวงแคบทีนี้ปัญญาเข้าตีต้อนมันเลยสิ ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปลงไปนะ่ปัญญาจึงเป็นเครื่องสังหารจิตเดชโดยตรงสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมเข้ามาและเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีกําลังหันยิงสอนว่าสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหัปลาโโหตีมหานสิสร้างสร้างสมาปัญญาที่สมาธิอบลมลึกหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้อย่างคล่องตัวฉลอนพูดทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้น เพราะอะไรเพราจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆพราะที่จ ะ, ะแฉลบออกไปนอกลกูนอกทางเพราะ อ, อิ่มตัวแล้วอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่คิดทาทําทงานอะไรก็ทําออกจากทำงานแล้วก็จะค่อยแตจะเข้ามาสู่ความสงบมีเสียเหมือนกับเป็นความขี้เกียจทําการทํางานอะไรชิดอ่านแต่ตองอะไรเมื่อยังไม่เห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมักจะ เข้าหลบเข้ามาสู่สมาธิมาอยู่ความสงบนี่เสียให้ทะเลทลายไปนอกรููนอกทางไปหิดบุญวายกับรูกเสียงกลินรถเครื่องสัมผัสทั้งหลายภายนอกนั้นไม่ไปจิตเป็นสมาธิจึงเรียวกว่าจิตอิ่มตัวคืออิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วนั้นไม่ยุง <c oughs> ่งน่ะทั้งๆมันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มากปนใจอำนาจแห่งความสงบนี่รุนแรงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจึงไม่ไปยุ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นจิตสงบนี้จึงพาเดินทางด้านปัญญาได้ อย่างคล่องตัวมันอิ่มตัวแล้วนี่พาเดินทํางานอะไรก็ทําเจ็บท่านก่อนมันพูดกันพูดแต่เรื่องมรรคเรื่องผลอทุกวันนี้เราพูดกันพูดเรื่องอะไรเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียเออพูดกันเรื่องก่อการก่อการสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีเรื่องอัดเรื่องทําเข้ามาเจอผลเลยเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนโลกแล้วถ้าเราไปแย่งงานของโลกมามันก็เร็วกว่าโลกเลยสิ เห็นแยงมันมาแยงเขาว่าทําไมก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเราตั้งใจมาพูปฏิบัติเพื่ออะไเพื่อทำไม่ใช่เพื่อปิดปูนหินทรายเด็ดหลักกุฏิสลาหลังใหญ่เท่าภูเขานี่อะไรกันนี่นะเอายุ่งกับมันทําไมอยู่ไหนอยู่เมื่อไห่จะว่าอะไรเรื่องของโลกเขาเรื่องธรรมเป็นธรรมเรื่องโลกเป็นโลกอยากให้มาก้าวไก่กันหน้าที่ของเราจะปฏิบัติยังไง หาจะมาจะมีติเตียนอะไรก็เป็นเรื่องของโลกฟังมในโลกธรรมเป็นไรเล้งดูอัดดูทำเป็นเข็ยนพิษทางเดินหรือเป็นที่เกาะนั่นเถอะแต่ไม่เสียจิตใจเราอันนี้อะไรก็มีแต่เรื่องเอาโลกเขามาเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าให้สุดท้ายลากไปอะไรก็จะให้เหมือนโลกเขาเหมือนโลกเขาสุดท้ายวัดก็ให้เป็นเหมือนโลกเขาวัดกลายเป็นเหมือนบ้านเขาท่าก็ให้เป็นเหมือนโยมเขาไปอย่างนั้นได้เหรือมันคนละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกัน มันค่อยกุดค่อยด้วนไปค่อยุค่อยด้วนไปนะออกไปจะไม่มีและวตำลาก็จะถูกกักถูกกันไว้ถูกขังไว้ในตู้ในหีบไปหมดนะมีแต่กิเลสมันออกเพ่นผ่านเพ่นผ่า น, า น, านตีตลาดทะเลตีพระตรีเนรสุดท้ายก็ตีทั่วโลกทั่วจงสารมีแต่กิเลสเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ไปได้หมดทําออกก้าวออกมาได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังมีทำอยู่ มันก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟปล่อยให้มันไหม้ตลอดมันเป็นเท่าเป็นฐานไปตามๆกันหมดเลอโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรนิรามันเห็นสาเหตุของมันเลยว่าโลกนอกโลกไหนแหละโลกเขาโลกโลกเราเรียกว่าโลกด้วยกันดังนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของยิ่งใหเข้าไปแทรกแล้วเป็นทุกข์มากน้อยเพียงไร แต่พอไม่เห็นโทษของมันเองจิตต่างคนต่างโสต่า ง, สางสแสวงหาแล้วจับแล้วจับขยันจับจับไฟแต่เวลาไฟร้อนแล้วกระ บ, บุนใครไปจับมันมันถึงได้ร้อนไฟไม่คิดนี่อันนี้เรื่องที่เลยมันก็เป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟท่านถึงว่าราคาคีโทสักคีโมหะคีมันได้พืนถึงไฟทั้งนั้นนีเราไปจับมันก็ร้อนหน่ะสิแล้วผู้ไม่จับเป็นยังไงก็ไม่ร้อน ผู้ผ่านสิ่งวันนี้ไปได้เป็นยังไงอีกนั่นมันเป็นขั้นๆตอนๆ อ, อย่างนั้นผ่านไปอย่างนี้ลาคคิโทสักคีโมหคีผ่านในหัวใจแล้วเป็นยังไงใจตรงนั้นมันเป็นชั้นๆอย่างนั้นนะคุณภาพของใจที่มีธรรมนี่ต่างกันอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาทุกในหัวใจไม่มีขอให้คิดเลยทุกประเภทไปสิ้นลงไปจากหัวใจเถอะคำวมาทุกภายในใจนี้ไม่มีตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ปังขึ้นมาหุนเดียวตานันพอไม่ต้องซ้าๆซักๆ การบรรลุธรรมถึงโลกุตรธรรมคือได้ขั้นอรหัตตบุคคลแล้วแม้ตั้งแต่ขั้นพระโสดาสกิตาคารนาคา ท, ท่านก็ไม่ได้มาซ้ำซากนี่มนาะเมื่อถึงขั้นถึงภูมิอะไรแล้วก็อยู่แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปถั้งตกลงมาก็ตกลงมาภูมิเก่าที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่เสียเนี่ยยิ่งอรหัตตภูมิแล้วปึ่งเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากนั่นแหละขณะที่ตัดสาเหตุแห่งทุกข์ สมุทัยยสัตว์ออกในขณะนั้นเปิงออมานั้นก็เท่ากับตาทุกในขณะเดียวกันแล้วจะเอาทุกมาจากไหนมาให้เป็นทุพพันในจิตใจก็กกิเลสคือสมุทัยมันไม่มีแล้วเอาทุกมันจะลอยลมมาจากไหนหรือมันจะลอยมาฟากเมฆจากไหนมาเข้าสู่หัวใจท่านพระอาหารหันต์ให้ท่านได้รับความทุกมีที่ไหนฟังสินั่นละท่านวันนี้นิโรดนิโรดก็เมื่อดับสมุทัยแล้วนิโรดมันก็ทกุก็ดับไปเอง เพราะทุกข์เป็นผลของสมุทยัยสมุทัยคืออะไรก็คือกิดเลสขาดสะบั้นประจากหัวใจแล้วเอาทุกข์มาจากไหนมาสืบมาต่อพอให้มีความทุกข์อีกใ น, ในพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้แล้วยังมาเป็นทุกข์ทางใจไม่เคยมีเรื่องทุกข์ทางกายมีได้โดยการเพราะกายนี้กับกายเรากายเขากายโลกกายของพระอรหันต์เหมือนกันมันเป็นรูปประการด้วยกันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหั ว, วตวลอดมีหิวมีกระหายเหมือนกัน เพราะอันนี้มันเป็นโรคด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่เข้าไปถึงภา ย, ายจในจิตใจอันนี้เป็นเพียงมันมีเงื่อนสืบต่อกันอยู่กับสิ่งปัจจัยทั้งหลายที่ควรจะสนับสนุนกันมันก็เกี่ยวข้องกันไปเท่านั้นแต่ใจไ ม, ไม่ไม่มีอะไรอาหารพอตัวแล้วไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งแล้วทันจึงไม่มีทกทั้งเรื่อพระหันนั่นทันว่าเสวยทุกเวทนาเอาอะไรมาสเสวย ว่ามันเห็นเหตุเห็นผลทุกไหนที่จะไปไปเข้าไปแทรกทุกเหล่านี้มันก็เป็นสมมติทั้งนั้นแน่ว่าไงทุกขังก็เป็นทุกทุกขังมันก็มันก็เป็นสมมติมันเป็นสมมติด้วยกันทั้งนั้นจริงหรือจิตนั้นเป็นจิตไปมมติมันเข้ากันได้อย่างไงแน่เป็นขั WIN? ้นๆตอนอย่างนั้นแล้วจะเอาทุกเหล่านี้เข้าไปสวมท่านหรืบีบบังคับท่านได้ย่งไร เป็นอาถานะณ์ไไดีว่มนนว า, ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเป็นขั้นอาถานะมันเป็นไปไม่ได้แล้วทํายังไงมันก็ไม่เป็นบางครั้ให้ซึมก็ไม่ซึมมอถึงขั้นเป็นอาถานะแล้วมันอยู่ในฐานะที่ควรเกี่ยวข้องกันได้สิมาถึงเป็นไปได้ดูหมู่เพื่อนปฏิบัติโอ้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ดูถูกเยาะเยา้ยผมไม่ได้ตำหนิติโทษหมู่เพื่อนโดยหาเหตุผลไม่ได้ รู้แล้วมันหนักใจในเรื่องความเพ ร, เรื่อาซ่านี่ทำยังไงทำยังไงมันเห็นอยู่ตลอดที่ว่าไงมันเลยทำให้ออนใจอินทร์อาใจเออทำของพ ร, ระเจ้านี่จะหมดจะสิ้นไปเรื่อยๆแบบที่มองเห็นอยู่นี่เหรอนั่นนี่แบบนี้มันไม่ใช่แบบฆ่ากิเลสนี่แบบกิเลสฆ่ า, าพระกรรมฐานนี่นะ เสื่อซาสาถูกจูงจมูกานด้วยอากับกิริยาต่างๆซึ่งไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาพินิพิจนาแก้ไขดิสระปัดมันบ้างเลยไม่รู้ตัวเนี่ยจะทำยังไงนี่ที่มันน่าทุเรศ น, นะนจำไม่นีนะคำพูดอันนี้ขอแล้วก็พร้อมกับการปฏิบัติไปแล้วตายไปแล้วเรื่องนี้มันจะกลงวานขึ้นในหัวใจของท่านผู้ปฏิบัติและเป็นขึ้นมาภายในใจนั่นแหละ เราสดๆเรร้อนซะด้วยกรรนี่นะเพราอเจอของปรากฏผึงขึ้นมาในขั้นใดภูมิใดมันจะค่อยละเลิกได้ทันทีทันทีทีเดียวเพราะอันนี้ออกมาจากความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของทุกคนต้องหาวิธีดัดมันเลยผู้ปฏิบัติทำไม่ไม่เสาะไม่สแสวงไม่หาวิธีหลายแง่หลายแขนงแล้วไม่ได้นะ่ะทําไปกับทำภาวนาไปกับกัพท์แต่ว่าเลายกลายเป็นพิธีไป กิเลสมันไม่ใช่พิธีมันไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีเหมือนไอเราที่จะฆ่ากิเลสแล้วเป็นเจ้าพิธีมันเท่ากันไม่ได้นะกิเเป็นกิเลสมันยั่งคําแสดงออกทุกอกกักกิยาของมันเป็นกิเลสทางนั้นเพื่อขนกองทุกมาบีบหัวใจเราทั้งนั้นแหละบังคันจำเอาเอาเท่านี้แหละให้มากเหนื่อยมันนี่พูดเหนื่อยทนออก